ซีดรรมบันดจุดฟังทีไรได้สุขทุกทีโดยพระพรมคุณาพรออใบยุโตโวัญญาณเวสกวันตำบลบังกระทึกอำเภอสารการจังหวัดนคนปรปฐมเรื่องที่สองากเป็นใครก็มีความสุขได้ขอเคียงให้รู้จักใช้ชีวิตให้เป็นบัรยายโน้นที่26รกรกฎาคมพุทธศักราช2543จริงๆแล้วถึงแม้จะเป็นคารว่าเนนรืคนธรรมดาเนี่ย ที่ทำงานอยู่เนี่ยก็สามารถเป็นกมได้อยู่เรถูกต้องใช่หรือไม่แล้วก็ท่านพูดถึงว่ามีสองขั้วใหญ่ๆคือศีลสมาธิปัญญานอันก็คือทานศีนลรัปปานาคราว น, าานี้ศีลที่ทำไปตามวันสมมติว่าเราับรถไปท่านได้พูดถึงถึงมอแต่า ก, การขับรระดาปิบัได้นะครับพอถึงท่านที่2คือการปฏิบัติด้วยการสมาธิแล้วขั้นต่อไปก็ถึงปัญญาเนี่ยผมอยากจะทายังไงว่าทำให้เป็นคำง่ายๆแแจ้งว่าสำหรับผู้ทชอบสำหรับชาวบ้านสำหรับคารวะสำหรับหมอที่จะเกียณแล้วนี่เออจะทำยังไงต่อช ทุกวันจะต้องสุวันนะครัให้คนธรรมดท่วไปสามารถถือเป็นหลักปฏิบัติได้ว่าเราเราเป็นคนธงรมานีเป็นทำงานก็ดันปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาได้ตลอดเวลาโดยโดยความเป็นจริงไม่ใช่เป็นตามทฤษฎีเท่าไหร่ทำยังไงถึงจะให้ท่านอธิบายว่าง่ายๆสำหรับคนที่จะใช้ชีวิตที่ต้องไปงานสังคมไปงานแต่งงานไปงานศกเราจะต้องไปงานปาร์ตีแต่ดเนินการเป็นชาวพุทธที่ดีได้อย่างไรในฐานะกาัในฐานะการับที่นจอยากจะทำตัวเป็นคนที่ดีหรือทาให้ธรมดีเนี่ยทายังไงง่ายๆให้คนอ่านสองหน้าหรือให้รู้สึกไม่ต้องไม่ต้องเป็น เดี <One input> ๋ยวผมจอิะไรอนีโอคเดี๋ยวก่อนทพูดเรื่องนั้นพูดถำนั่นหมนาคอพูดงคนิดหนึ่งุณหมอพูดถึงกสมาธิสมาธิก็เป็นตัวอย่างเาการที่ว่าบางทีเราไปหลงแล้วก็ติดในความหมายแง่ใดแง่นึงคือสมาธิได้รูปแบบกับสมาธิโดยสาระสมาธิโรูปแบบเนี่ยเราจะไปติดนแงเราไปนั่งอย่างนี้แล้วไปอยที่อย่างนั้นหรอไงแล้วก็เป็นสมาธิแล้วก็แร้สมาธิไปผูกอยู่กับไอ้รูปแบบนั้นความจริงสมาธิมันเป็นธรรมชา มันไม่ไปฟุง้งซ่านมันไม่หวอกแวกอยู่มันก็เปไปสมาธิอย่าง น, นี้สาระตัวสมาธิตัวแท้คนไปนั่งสมาธิแกอาจจะใจไม่เป็นสมาธิเลยไม่มีสมาธิเลยกันไหนใช่ใจก็ไปนั่ง้ว ง, ง ว, งงวงุงานงุมงานคิดอยู่โนคิดยูคนเดียวั้นไม่มีสมาธิ Jeep Jeep, หรอกไปนั่งสมาธิเฉยฉะนั้นสมาธิเดียวเราอไปติกินเนี่ยมันก็เนื้อหาสาระความจริงก็เป็นธรรมชาติคือเป็นคุณสมบัติเขาจิตใจจิตใจมันสงบแล้วมันยู่ประสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการอาจารย์มาเลยพูดง่ายๆเนี่ยสมาธิก็คือ แรกจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการอ่ะที่กับเข้าสมาธิแลได้ตามต้องการสมาธิแน่เลยเออใครอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการี่ก็เองแหะนีอันนี้สมาธิที่แสดงว่าไปไกลเลยคนไปน่าสมาธิไปกี่คนที่จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการเนี่ยเอารูปแบบเพราะนั้นเนี่ยที่สำคัญอันนี้พอจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการแล้วเนี่ยแล้วแต่เราไปใช้มันทาอะไรถ้าเรียกว่าเป็นจิตที่มาะการชงานเนี่ยเพราะจิตที่สงบไม่ผานพลันเนี่ยก็ม็นตัววายไม่พลัดพลันไม่บกแ นั่นอะอย่างนี้ก็ถือธรรมะที่เป็นของจริงเราจะเรียกว่าธรรมะในชีวิตประจำวัน่องอะรกซึ่งทุกคนเนี่ยมีโอกาสสามารถมีคุณสมบัติแต่ทำไมต้องมีรูปแบบอย่างนั้นก็เพราะว่าคนเราเนี่ยคุณสมบัติในจิตใจเนี่ยไม่เหมือนกันการพัฒนาของจิตใจของอะไรต่างๆปัญญาเ็ยไม่เท่ากันนะแล้วก็เมื่อจิตไม่พร้อมเนี่ยให้สภาพแวดล้อมต่างๆมันก็มีผลเพราะฉะนั้นเวลาเราจะฝึกคนเรานี่ก็บอกว่าคุณสมบัติที่ดีมันจะสำเร็จจากการฝึกแต่การฝึกบางทีมันต้องอาศัยเทคนิคยกเท่าไหร่ต้อง ก็เลยมีการพัฒนาให้รูปแบบวิธีปฏิบัติขึ้นมาเป็นการนั่งสมาธิอะไรต่างๆแลนี้เพื่อจะมาฝึกท่านั่นเองเพราะคนฝึกได้ดีมีสมาธิจริงแล้วมันไม่ต้องมานั่งอย่างนั้นแล้วถ้าอันนั้นนั่งก็มายควาพว่าอาจจะมีเหตุผลขึ้นมาว่ามันอยู่ในอิทียาบกที่มันก็มีเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องรุนแรงมาและอยากจะพักกับไปนั่งอะไรก็แล้วแต่แต่ตรงนี้คือเป็นตัวอย่างเรื่องสมาธิก็สาระที่แท้จริงมันอยู่ที่คุณสมบัติที่เป็นธรรมชาติอยู่ในจิตใจของมนุษย์เองแล เาบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยในด้านดาเนินชีวิตมันมี3ด้านหน่นด้านการแสดงออกภายนอกด้วยกายวิชาโดยสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อทมทางสังคมอย่างหนึ่งกระทางวัตอย่างหนึ่งเนี่ยด้านนี้พัฒนาไปทาไหก็ตามทาให้มันดีขึ้นให้มีการพูดได้ผลดีพูดถูกต้องพูดเป็นคาสุจริตเป็นคศัพท์เป็นคาสุภาพอ่อนโยนพูดผลในต่างการการานี้ก็เรอวจจารสมาิมนแล้วก็การฝึกพัฒนาในเรื่องของการใช้กายทาอะไรต่างๆเช่นแต่บริโภคอาหารใช้ปัจจัยสีใช้เทคโนโลยีเี่ยหรือว่าการใช้ตา และ ก, การอยู่ร่วมสังคมการอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์การติการอยู่ในวินยักยกฎยกราจออะไรก็ตามหรือวินัยของฐานอะไรเงี้ยนะหรือว่าการที่จะทำอาชีพของตัวเองให้ถูกต้องสุจริตเกิดผลดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์วิชาชิพ น, นะทั้งหมดเนียเป็นเรื่องพฤติกรรมใจมารยาทสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้อมทางสังคมและทางวัตถุมดเนี้ยเนี้ยแดนเนี้ยนี่ประสิทธิ์เดีย๋ยแต่ไปอยู่ไหนก็ทำเพราะนั้นมนุษย์เราก็ต้องยุ่งมัเรื่ศีลตลอดเวลาถ้าใครไม่ฝึกพฤติกรรมตัวเองก็งเรียกว่าเราไม่อัปสิทธิ <c> ์เ <oughs> นี่ กอนที่จะออกไปพฤติกรรมการสแสดงออกทางกายวาจาทุกคั้งเลยมนุษย์ยนี่มีเจี่ยวจมูกมีเจตนามีความตั้งใจมีความจงใจจะคิดจะเอาเ ด, ดี๋ยได้ที่จะทำจะสแสดงออกอย่างไรไอ้แสดงว่าพฤติกรรมที่ออกมาข้างนอกเนี่ยมีตัวอยู่ข้างหลังก็คือความตั้งใจความจงใจเจตนามีเจีจํากเนี่ยนะสแสดงว่าได้จิตใจมีความสายยัมพันธ์กับพฤติกรรมพฤติกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐาของจิตใจทีแล้วจิตใจจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมมีเจตนาอย่างไรขึ้นต่อคุณภาพของมิดใจล้ว จิตใจมีโลภมากก็พฤติกรรมกาะจานจะไปแบนี้เลยโลภมากโลภน้อยลงพฤติกรรมก็ไป่านมโทสะมากก็พฤติกรรมการปรจาก็ไปอย่างหนึ่งมีโมหะมันก็แสดงออกมาที่พฤติกรรมก็อยู่ที่ว่าจะมีคุณสมบัติหรือสิ่งที่เป็นโทษไมดีมาประกอบก็จริงเลยนั้น้าจะให้พฤติกรรมดีมั่นคงเนี่ยต้องพัฒนาจิตใจด้วยแต่ข้อสคัญในที่สุดุทุกเนี่ยเราก็ไปอยู่ที่ใจอีกันมันไม่ใช่เฉพาะไอ้คุณสมบัติของพฤติกรรมที่ดีไรเท่านั้นนะตอนี้สาอย่างละเอียดแต่หมายถึงว่าาพสุา เพราะนั้าก็ฝึกจิตใจในเรื่องคุณธรรมความดีงามนะให้ ม, มีความโลภความโกรดความหลงน้อยลงให้ความโกรธโลภศาสตร์มีที่พรมจิตใจน้อยลงให้มีคุณสมบัติที่ดีซึ่งเป็นตรงข้ามกับโลภศาสตรให้มีความผิดเผื่อแผ่นเส้นสลักให้มีเมตตากรุณาให้มีจิตใจมีอุรมณคติให้มีความใฝ่รู้อยากทาสิ่งที่ดีงาม อะไรขึ้นมาอีกเอ๊ะแล้วนอกเนั้นจิตใจที่อ่อนแอเพราะเวเงเหงาอะไรต่างๆเหล่านี้อีกเออแม่ดกแล้วพัฒนาจิตใจให้มีสมรรถภาพมีความเข้มแข็งมีความพินพยายามใจสู้ไม่ยอ่อทอะเนี่มีกลังใจแฝ่กล้ามีสติดับยังใจได้มีสมาธิใจแน่สามารถทำใจให้สนุได้ทำใจให้สงสัยไม่วาเวไม่ขุนมไม่เศร้ามองไม่เครียดให้สดชื่นราเร่บิกาเอ๊ะดจิตใจเดียวนี่ย นี่ก็เป็นแดนใหญ่เลยนะเรื่องควพฤติกรรมก็มีนจิตใจเรื่ อ, องรทความดีเรื่องสมรรถภาพความเขมแขงของจิตใจเรื่องของความสุขความร่เงอองสโอ้ต้องลงต้องฝึการจิตใจด้วยถ้าจิตใจเนี่ยทั้งหมดท่านก็สรุปใช้คาตัวแทนตัวเดวสมาธิใช่มทุกเนี่ยที่จริงสมาธิุหมดไม่ใช่ว่าไปนั่ ง, <laughs> งอย่างเดียวทีนี้อ้าวทีนี้มนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ดูแค่จิตใจเราพฤติกรรม้จิตใจที่จะแสดงพฤติกรรมออกไปนแล้วก็จิตพฤติกรรมจะแสดงออกแค่ไหนมันต้องขึ้นต่อความรู้ คนเราจะแสดพฤติกรรมจะเดินไปไหนต้องรู้นแล้วจะทำพฤติกรรมได้แค่ไหนอยู่ในขอบเขตของความรู้คนที่มีความรู้กว้างความรู้ซึ่งพฤติกรรมก็ยิ่งซับซ้อนอยิ่งําได้มากขึ้นและก็สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จด้วยถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความรู้พฤติกรรมทำไปตามๆเลยไม่ได้เลยและจิตใจก็เหมือนกับิดใจไม่มีปัญญาเนี่มันกตัดไปเจออะไรเนี่ยไม่รู้จะทไงตกตัดทุบเลยใช่มแต่พารู้ปั๊บโล่งเลยเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวสั้งผัญพฤติกรรมจะไปได้จิตใจจะโล่งจะโปร่งจะดีสำเร็จด้วยปัญญา ข ย, ยายมิตินะแล้วก็ทาให้เป็นอิสระเป็นตัวลบอยพอปัญญามาในรู้นะติอะไรก็เป็นปัญหา ป, ปัญญามาหมดในะลแลนะปัญญาเป็นตัวสคัญในที่สุดจะพัฒนาพฤติกรรมจิตใจไปได้ต้องอาศัยปัญญาในที่สุดก็เลยต้องมีแดนนคือแดนปัญญาความถูกแตนปัญญาความรู้ก็ว่างกักไปตั้งแต่รู้ข้อมูลธรรมดาที่สดับควาฟังจากผู้อื่รู้เข้ามาทางตาหูจมูกรนรับรู้เข้ามาการรับรู้ของคนก็มีปัญหาและรับรู้อย่างไรรับรู้ไม่เป็นก็อยู่ระชอบใจไปชอบใจใช่มเล่าเราจะเห็นสวยงามก็ชอบใจเห็นไม่สวยงามไม่ถูกตาไม่ถูกใจก็ไม่ชอบใจพอไม่ ดิ่ใทัลมุ่งงานคุ้งลานโรศัรเกเถิพอไปเจอสิ่งที่ถูกตารวงใจชอบจะเอาเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็เกิดความสุขพอดูด้วยการดึสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าพุกงอีกแล้วจะไม่ได้หรือว่าหรือมันได้แล้วแต่มันไม่อยู่ด้วยหรือมันจะลอยไปทีนี้การรับรู้ของมนุษย์เนี่ยเป็นช่องทางที่มาของความสุขความทุกข์ของมนุษย์แรงใหญ่เลยทีนี้ถ้ามนุษย์พัฒนาขึ้นก็จะไม่อยู่แค่รับรู้ชอบต่ไม่ชอบใจก็คือหนึ่งรับรู้รับความรู้สึกสองใช้ตาหูจมูกจิตใจรับรู้แต่รับความรู้แค่นี้ก็ต่างแล คามรู้สึกไม่เกี่ยวได้ความรู้กันแล้วกันไม่จะสบายไม่สบายถูกตาไม่ถูกตาไม่เกี่ยวแหละเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มขยับจากการใช้จิตสมุกลิ้นเพียงรับความรู้สึกว่าเป็นรับความรู้เนี่ยจะเปลี่ยนมิติใหม่ของความสุขนีคือไม่สุขถ้าไม่ทุกข์เพราสิ่งชอบใจไม่ชอบใจแต่มองในแง่การรู้ทําสิ่งที่ทูกใจไม่ทุกใจสุขนีเพราะว่าได้ความรู้ใช่ไหมเราต้องการได้ความรู้แท้ใจเราพยายามได้ความรู้ครับการได้ความรู้เป็นดาวสมองความรู้การและเป็นตัวให้เกิดสุขเพราะนั้นสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบ สิ่งที่ชอบใจก็ให้ความรู้ได้ก็สุกได้สิ่งไม่ชอบใจให้ความรู้ฉันได้ฉันสุดได้ังนั้นก็สุดได้ันันิที่ชอบใจไม่ชอบใจอันนี้คือการพัฒนาของมนุษย์อันนี้ที่ทางมนุษย์รับรู้ในแง่เอาความรู้สึกใหญ่ความรู้สึกมันก็จะมามาเคลือบมาคลุมให้การรับรู้เนี่ยไม่บริสุทธิ์คือความลำเอียงมองตาชอบใจไม่ชอบใจก็เกิดอันติ ยังไม่อาตัวเิติก็ไม่เห็นตาเป็นจริงเหมือนใส่แว่นสีใช่ไม่ะมดพระนั้นการรับรู้นี้ก็จะมีที่ผลมากหนึ่งรับรู้แค่ความรู้สึกท่านเรยกว่าจรินจีรายก็แต่ไม่พัฒนาแล้วก็อยู่กับสุนทุกเจ้าใจเป็นชอบใจพอเปลี่ยนเป็นการรับรู้เป็นการรับความรู้อัดก็พ้นจากสุขทุกเจาในชอบใจมาสุขเพราะการได้รู้ออความการรู้และอย่างนึงก็คือการรับรู้จะบริสุทธิ์จะตรงความจริงขึ้นก็มนุษย์จะพัฒนาไป่ได้ถ้าไม่รู้จักปรับุงในเรื่องการรับรู้ตัวเองคืออารมา เก็บไว้ น, น่ยเป็นความจำสำหรับสติเราขึ้นมาแล้วมาใช้งานเอามาสามารถเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์นมาสืบคน้นสืบสาหาเหตุปัจจัยแล้วก็เอามาปรับใช้กับสถานการณ์ต่งสสางๆในการแก้ปัญหาในการคิดสร้างในการทาการต่างๆได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของแนปัญญาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่จนกทว่ารู้เข้าใจชีวิตเขาตัวเองรู้เข้าใจโลกตาเป็นจริงพอ ร, รู้เข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยวางใจได้ถูกต้องติ ston. มนุษย์ที่เราอยู่ใต้ผลสมมิฐานชีวิตของเราเป็นไปตามสิ่งที้นไหลที่ข้ามเกี่ยวข้องนะมีความสัพันธกันที่นี้มนุษย์ที่ทยังไม่ได้ถูกพัฒนามาอยู่ด้วยบรรดาเขาอยู่ด้วยความอยากที่ทัฒนาไม่อยู่ด้วยความอยากตัวเองก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามอยากก็มีความสุขมันไม่เป็นไปตามอยากก็ตกแต่ว่ามนุษย์ใช้สิ่งที่ขึ้นหลเป็นไปตามอยากของตัวเองกยเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปตามอะไรมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเนี่ยในตอนนี้ที่มันเป็นเรื่องของการที่มนุษย แล้วถ้าอยู่ใน่สนาก็เกิดขัดแย้งแน่แล้วก็พอคือขัดแย้งใครชนะตอบได้เลยว่าความจริงชนะความเป็นไปตามเหตุประจายชนะมันก็ต้องทุกเลยนี่พอม น, นาปัญญามััฒนาปัญญาก็รู้ตามเป็นจริงให้ปัญญามัรู้ตรงกับเหตุจตสจอสงหลายมันรู้ตรงกับามเป็นไปของธรรมชาตินันจิตมันก็ปรับตามปัญญามันก็ ไปตามกันก็รู้ว่าออสิ่งหลายเป็นปัจจัยเหตุปัจจัย้มอนมันคงอยู่ไม่ได้เพราะมีปจัจจัยนั้นเกิดขึ้นถ้าเราต้องการไมเป็นนั้นเราก็ต้องเรียนรู้มันจุดาเหตุปัจจักยกาเเหตุปัจจัยนะเราทำได้เท่าไรก็เท่านั้นถ้ามันไม่เป็นปัจจัยพิจกรณาแสดงว่ามีเหตุปัจจัยที่เราทำไปทั่วหรือมีเหตุปัจจัยที่อยู่นอกเหนือวิสัยของเราแล้วก็รู้ตามเป็นจริงจิตใของเราวก็รู้ความจริงอนี้ทุกคนก็เบาแล้วก็แก้ไขเหตุการณ์ทำอะไรก็รจะส้ ต้องตามนั้นมันก็เกิดผลดีกับชีวิตของเราด้วยกันเราเราเราต้องปฏบัติกนีวิระจำผมผมกลังจะตั้งหัวข้อของผมแคนอันนึงว่าผมบวชแล้วเนี่ยตอนนี้ผมบวชมาปีวได้ว่าผมได้มเป็นคนดีขึ้นาอนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะบวชเนี่ยผมก็เขียนเรื่องว่าผมเป็นคนไกลวผมไม่ชอบพระผมมีข้อเขียนผมเขียนแล้วผมไม่ชอบไม่เข้าหาศาสนาแล้วก็บทีพระที่ขออนุญาตใช้คำวาเบ้อไปเช่นพูดสีตีตาทำไมงั้นผมผมไม่น เมืคนไทวัดคราวนี้2งปีแล้วเนี่ยผมอยากจะมาั่งคิดดูว่าใผมกแล้วผมเป็นคนดีขึ้นหรือไม่ผมรู้แต่ดว่าท้าผมฝึกเป็นบัตินบัตผมดีขึ้นนิดหน่อยเช่นผมอ่านข้อเขียนขท่านมากอ่านมากอารืออ่านอา น, อ, น, อ, นอย่างเช่นขับรถอยู่มีคนมอเตอร์ไซค์ขับรถมาแทงหสมัยจะโมโหมากโโ ห, โหยิ่งบางคนขับซีบมโมโหแล้วก็แล้วก็ทกบสมุิดเราเว่าเขาด่าแล้ว ขนานี้ถ้าให้ดีก็ต้องแผลในตาไปเลยใช่ไขนานี้เราก็คิดว่าถ้าผมโมหไปเนี่ยความดันขึ้นไปาเรื่องอะไรจะโมโ็ทำปไม่รู้าแต่กันดีไม่ที่สุดนะอยากฝึกตัวเองาเอ่ยทำยังไงถึงจะถ้าก็จะปัดหน้าเราผูกเาิดเนี่ยเราไทยังไงเราอนุโมทนาหรือว่าจะไปเยี่มพ่อแม่จะบ่ยก็ดเลยอย่างนี้จะมีวิธีทยังไงที่ใคทานเข้าไปเลยทำยังไงให้จิตไปแทนที่แทนที่ดำหนึ่งเดินสมัคขอนโมหด่าเขากลับเมือก้เหมือนจบโรานด่าก็เลยซึ่งเดี๋ยวาี้ไม่ทำก็ทำแต่ว่าเฉย ขนานี้เราก็รู้สึกว่าคูนนจนๆเข้ามาขายของนรานาจะเห็นใจเขาบ้างความจริงทำไมก่อนเราไปคิดว่าถานนของเราบ้านของเราทำไมเขามาลุกล้ขณะนี้ก็คิดได้ว่าออแผนเน็ตหายเข า, เ, าเขาโเราเาก็ขัรถไปยังไงถึงจะสุดขั้ให้ให้รู้สึกว่ามันดีขึ้นขึ้นไปอีกกนนี่ที่ผมบแล้วนี่ผมคือทให้รู้สึกคิดอะไรกว้างขึ้นมีทฤษฎีขึ้นมาจากไดนิดหน่อยผมคิดว่าถ้า น, นี้สามารถจะทอะไรง่ายหรือมีข้อนไ ง, ง่ายเนี่ยคนอื่นอาจจะ่ อาจจะเป็นคนดีเท่าเดิมก็แต่ว่าเป็นคนดีแล้วก็จะทำดีมากขึ้นหมายความว่าปริมาณของสิ่งที่ดีที่ทำเนี่มากขึ้นแต่ระดับการเป็นคนดีนีเท่าเดิมนีก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่วความมีได้อันนั้นก็ไม่รู้แหละมาวามว่าได้ทาสิ่งที่ดีมากขึ้นอันนี้ก็ดีแ่นงหาความระดับความเป็นคนดีเท่าเดิมแต่ว่าในความดีที่ตัวเองอยู่เนี่ยก็เลยได้ทความดีมากขึ้นตามกาลเวลาก้อนั้นก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนิ่นินะที่องเรื่องระดับความดีของต ถ้าเราใช้คาใหญ่มาเอาคำหลัก ม, มาเทียบเยดีขึ้นทางศีลดีขึ้นทางสมาธิคืาจิตใจแล้วดีขึ้นทางปัญญาอ้าวต้องดูแลดูสาด้านเลยดี่ด้านศีนการประพฤติปฏิบัติของเราการดเนินชีวิตทั่วไปการพันเพื่อนมนุษย์ดีขึ้นหมเราเบียดเบียนน้อยลงไหมเราเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์มากขึ้นไหมนี่ด้านศีนเลยว่าดูได้เลยทเราดีขึ้นหใช่มนเนียการปฏิบัติตอนทำของถือใการกินอยู่เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ย ก็ด้านศีเราดีขึ้นหรือไม่สอด้านจิตใจเราจิตใจร่าเริงแบบันไสสดชื่นขึ้นมเคลียดน้อยลงไหมทุกน้อยลงมมีคุณธรรมมากขึ้นไหมมีเมตตาปรุนามากขึ้นั้มมีมีศรัทธาอะไรต่างๆมีอะไรคุมทำความดีอะไรมากขึ้นไหมแล้วก็มีสติมีวิทยาความเพียรมีจิตใจเข้มแข็งมีกาลังใจดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านด้านความสุขูดแล้วแล้วก็มาดูด้านปัญญามีความรู้เข้าใจเรื่องวิชาการในตอนพระพุทธถึงที่นี้รู้เข้าใจชีวิตรู้เข้าใจขื่ มาใช้ปฏิบัติอย่างในเฉพาะกรณีหรือเป็นแง่ๆเรื่องอย่างว่ากรณีขับรถอย่างนี้ใช่ไหมล่ะออันนี้มันก็วิธีง่ายๆก็าเรียกว่าวิธสมรูิกัน<ม>ใช่ก <Okay. S 1> <Okay. S 1> ็ถือว่กาการรู้จักมองรูจ้จักคิดให้เด้มันมีทางเดินหลายหลายอย่างคือมันมีไอ้ตัวนำก็คือการใช้ปัญญาหรือวิธีมองซึ่งจะไม่ต้องใช้ปัญญามากมายเลยละ่ะเพียงวิธีมองท่ น, งนั้นเองะเช่นวเราคิดผให้เขาเนี่ยแต่ที่คุณหมอพูดเมื่อกี้อย่างอ่งหองห้นคนไข้หน้าตาไม่ดีพูดไปแล้วพูดกลับมาไม่ดีเแต่ขามอคิดว่าโมีคน พ, ก พ, พกุกราะภัยขเจของเขาพูดเพราะเป็นห่วงลูกถ้าพ่อป่วยไปแล้วลูกจะอยู่ยังไงพูดเรื่องครอบครัวเงินทองยาวที่ไหนไมาใช้ตัวเองรักษาใช้เงินมากมแล้วเวลานั้นอบวจะอยู่ได้ยังไงหวงโน่นงนี่อ้เนี่ยมาให้เขาอารมณ์เสียแล้วพูดตอบมาไม่ดีเพราะนั้นถ้าคิดได้อย่างนี้อาจจะไปเห็นใจเขาคิดหาทางปลอบโยนหรือไปไถ่ทางให้รู้สึกทุกแทนที่จะมาอัดอันอยู่คนเดียวกับตัวเองแล่วทุกข์แล้วก็คลุมแต่งใจไม่สบายนี่ก็เป็นตัวอย่าง <c> อันหนึ่งเนี่ยคือการมองแะยนนะ แม้จะมองเพียงว่าเป็นเรื่องของการได้เจอประสบการณ์ต่างๆหลากหลายแล้วก็สนุกกับการได้เห็นประสบการณ์นั้นไม่รับลกระทบมวม่มาผู้คนมนุษย์มีมตากันทางทากายกิริยาทิฏใจคอปเหมือนกันเราเจ อ, เอคนนี้เป็นนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นยินคนนั้นนาบคนนันวรอร์ตลอดเวลาคนนี้เป็นอย่างนั้นนี้เห็นแล้วรับเนะหมดเนี่ไปมาเห็นใครมาท่านนี้เห็นคนนั้น่าท่านนู้นขอย่างเดียวไม่รับกระทบนอย่างนี้ก็มีนีคือว่ตถุการบังคับถือจิตใจหรือว่าท่าทีการเรียนรู้อ มาดีก็รินรู้มามาดีก็รยนรู้เลยก็ได้ศึกษาได้ผ่าดเดียวคนเมื่อกี้นี้ผ่านท่าดเดียวเนี่ยขำผ่านขำผ่านแต่คนที่2นี้ได้เรื่งได้อย่างเดียวได้ความรู้ด้วยไปนี่คนที่สนี้ก็บอกอย่างที่ว่ามองแบบเขาใจเพื่อมนุษย์คิดถือให้เขาจะเป็นยังไงเปนยงนี้แล้วก็ลองหาทางมีความร่มพันสายสามเขาเพรู้ความจริงเลยติดตาไปไดอ้อันนี้ก็กลายเป็นช่วยแก้ปัญหามนุษย์ให้เพื่อมนุษย์แล้วก็มีเมตตา แล้วก็อีกอันก็ได้คือมองไปบททดสอบตัวเราเออเราเจอดีเหมือนเจอดีเหมือนเจอดีเราไปชอบใจทนี้ไทีเจอไม่ดีเราก็ไปชอบใจลองทดสอบตัวเองเรามาเรียนธรรมะเราอยู่ในโลกจะมีชีวิตที่ดีเรามีความเข้มแข็งอดทนแค่ไหนต้องเจอบททดสอบบางให้เขาถามเราไปได้ดูเราทนได้ใช่อ่าอย่างนี้ก็ได้บททดสอบนะรมองปบททดสอบหมดเจอก็ไม่มีปัญหาอีกแต่บททดสอบวันนี้กลับวันก็เจอในบททดสอบใหม่ไหวันนี้บททดสอบแรงน้อยกวาเมือนนึงแลสนุกอีแล้วสนุกกับบททดสอบนะแล้็ต่อในบททดสอบก็เป็นแบบบุกฐานพัฒนาตัวเองวันนี้ก็คน เกิดปมีความสุขเกิดมาได้ความสุขเนี่ยถ้าไม่มีกัลยาณมิตรมาช่วยฝึกเนี่ยไม่พัฒนาเลยแล้วชีวิตนี่จะเอาดีเข้มแข็งหรือว่ามีปัญญาอะไรที่จะจัดการสถานการณ์ได้น้อยเพราะนันคนที่เจอแบบประหลาดมากทีนะ่เจอปัญหาเียเจออะไ ร, ไรเรื่องเราตาที่เป็นปัญหานี่มองไปแบบประาหมดทีน้พัฒนาตัวอย่างเดียวนะได้ได้หา ไ, ได้แก้ปัญหาดีหมดใช่หเหรอนีคนนะ่คนที่นะแล้ว้คนที่อกอีกคนที่6นี่ได้พัฒนาปัญญาถึงขั้นรู้เข้าใจโลกชีวิตตามเป็นจริง ก็รู้เข้าใจแบบคนที่อยู่บนภูเขายอดเขามองลงมาเห็นสิ่งั้เป็นไปต่างๆรู้เข้าใจโลกชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยคนเรามีกิเลสต้องมีกิเลสเนก็เป็นปต่างๆกันเราก็เป็นตามเหตุใจนี่มันเป็นมองไปตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายตามเหตุใจเข้าใจตามเป็นจริงไปเลยไม่กระทบเลยเรื่อยี่รู้เข้าใจโลกชีวิตวางใจถูกต้องใจเป็นสละไปเลยเรื่อยก็เรื่องบต่างๆนี่แหละเป็นวิธีที่เรียกว่าโยนิสสิการซึ่งใช้ได้หมดเลยแต่อย่างน้อยคันแรกเนี่ยก็คือว่าคนเราจะใช้ตาหูเป็นด่านสัมพัน ความดีดีร้อย่างที่พูดต้ต้นเห็นสิ่งที่สบายตาถูกตาแ็้วฉกใจเห็นสิ่งไม่สบายตาไม่ถูกตาแล้ชอบใจแล้วเรสุบพุ่งกัอยู่เนี่ยนี่เป็นการใช้ตาใชหมุนแบบแรกสามัญแล้วก็แบบสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วยการใช้ปัญญาแบบที่ว่าอย่างน้อยมองตามเหตุปัจจัยใจที้แบบมองตามเท่าใจจะมองตามเหตุปัจจัยพอเจออะไรก็ถ้ามองตามเข้าใจก็สุปปัหาแต่ถ้ามองตามเหตุปัจจัยก็คือปัญญานี่ถ้าเราตั้งท่าแนี้ก่อนว่ามองตามเหตุปัจจัยนะเราไปเจออะไรอัี้เราเราเิว่องอันนี้จราจำไ้ พอตรวเรื่องปั๊บที่จะไม่ชอใจอาสติเราลึกถึงติม า, าไหนสตินี้เราตั้งไว้แล้วเนี่เราก็สติไปตัวดึงอ้ตินี้มาใช้แลลึกถึงสติว่าไอ้นี่ก็เรื่องแล้วจริงมชอบใจแล้วนะแน่สติมองตามเหตุปัจจัยยมองตามชอบใจเราก็ยังการมองตามชอบใจเรียนมามองตามเหตุปัจจัยใช่มอ่พอมองตามเหตุปัจจัยปับ๊บสดุดยุดปัญหาได้ยุตปัญหาได้ก็ออกมามองด้วยวญญาวิเคราะห์ศึกษามองตามเหตุปัจจัยแม้แต่เรื่องในครอบครัวในบ้านเรื่องเนี้ยมันมีเรื่องที่กิดทบผู้ทบใจอยู่เลย ต้งสติได้แล้วก็เริ่มใช้ปัญญาหาทางแก้ปัญหาโดยทางที่ถูกต้องอย่างน้อยตัวเองก็ไม่เกิดความกระทบไม่ขุนข้องมองใจใช้ปัญญาที่มันเป็นเรื่องของความเป็นจริงที่เป็นกลางปัญญาอยู่ความเป็นจริงที่เป็นกลางเพราะนั้นมันไม่มีปัญหาปัญญาเป็นตัวทำลายปัญหาแลก้ความทุกข์สลายเป็นตัวสลายทุกข์เป็นตัวลดอยทำให้เป็นอิสระบางคนก็อาจจะไปอยู่วัดไป มองเห็นในรูปแบบว่าไปนั่งปฏิบัติอะไรมากมายแต่พอเจอชีวิตจริงปฏิบัติไม่ถูกาใจไม่ถูกยังโรยังรุนแรงยังอะไรทุ่งท่านอะไรอยู่แสดงว่ายังเอามาใช้ไม่ได้ไปเจอคนทฤษฎีได้เป็นคำธรระได้หมดเลยนะครับแต่รู้หมดรู้ทฤษฎีหมดแต่ในชีวิตประจวันยังเห็นความโรคยังเห็นการยังเห็นตัวอย่างอย่างเยอะนี่แหละไม่ได้เอามาสุกจริงๆคือธรรมะที่แท้เนี่ยที่เราปฏิบัติเนี่ยมันก็หมายถึงมันเป็นจริงขึ้นในชีวิตของเราชีวิตจิตใจของเรามีการพัฒนาก็คือเปลี่ยนแปลงไปในทาง ถ้าเรานำมาทำมากมาจะไดยรู้ก็ตามจะได้บอกว่าปฏิบัติต็ตามแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยไม่จะมีผลอะไรแลดว่ที่จะพัฒนาก็คือเกิดตาเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นที่ไหนล่ะก็เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราดูที่ไหนดูที่พฤติกรรมกายวาจาสัมพันธ์กับสิ่งแ้อมทางสังคมและทางวัตถุดูที่ไหนดูที่จิตใจดูที่คุณธรรมความดีงามบ้างดูที่ความเข้มแข็งสมรรถภาพจิตใจบ้างดูที่ความสุขความทุกข์เนี่ยดูข่าวเดินเบิกบานความสั้นจิตใจดีมีพวกน้อยมยความเพียร อันนี้ก็เป็นของจริงเลยและจิตใจที่ทำให้หลุดฟอนเนี่ยที่จะบอกว่าผู้ที่รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเนี่ยเราไปอยู่ในโลกตามปกติมันคนอื่นใช่ไหมแต่ในโลกมันก็มีท่านเรีกว่าโลกธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกมันอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่ชีวิตเราตายแล้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติแต่ทีนี้พอเรารู้เข้าใจความจริงแล้วไอ้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติเป็นไปมันไม่ส่งผลกระทบจิตเนี่ยเพราะปัญญามันรู้ทันหมดฉันก็บอกว่าผู้ใดถูกโลกธรรมทั้งหลายซึ่งหมายถึง เือร์บาได้ตลอดเวลาอย่างเนี้ยเาเรียกว่าเป็นมงคลในสูงสุดนะ้าได้ไยินบมอคุณหมอจะมาถามเรื่องชีวิตหลังเสียนกเเ็เขาจะทำที่คณะผูำ<อ>รมอาจารย์เขาจะทาเขาเรียกว่าทําพุทธตาไม่ทำแต่ากํามูกอ่อนก็้ว่จะมองคำว่าพุทธตาจิตเนี่ยหมาว่าเคารพแสดงความดีนีดีด้วยมาพูดได้ดี เวลาลูกศ์ลูาให้อาจารย์ขึนเดเกษียณเนี่ยเขาเขาจะจิตการแขอแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารองคนนั้นอย่างนี้เป็นคำที่ถูกต้องหรือเปล่าอาจารย์ก็อยู่ทวิธีมองเลยปอนคือถ้า้ทอะไรที่ถูกก็อันนี้ก็ไม่ผิดเลยปอนก็อย่างน้อยก็เป็นการที่ว่าช่วยนาจิตใจให้ไปมองในทางที่ดีคือถ้าเรามองว่าเกษียณโอ้หมดไปแล้วนะเกษียณต่อสิ้นนะหมดแล้วอายุราชการหมดแล้วตาแหน่งฐานะโอ้ถ้ามองอย่างนี้เราก็เสียใช่มเลยปอนนี่เราจะไปมุทิตาได้ไงอะมุทิตาแสดงความดีดีอยูนิ้วศูนยเสียเน แย่ yeah, ทำงานหนักมานานไม่มีอิสระภาพอยู่ในขอบเขตจำกัดวันนี้เป็นอิสระสัทีพอมองยังยี้ปับพูติดตามได้เลย <laughs> <laughs> <laughs> ใช่มครัเพราะว่าตอนนี้ดีแล้วนี่คือกา ร, กา ร, การเกษียณอายุเนี่ยถ้ามองในแง่ดีก็มีแง่ดีเยอะแล้วก็มีสิทธิ์มองในแง่ดีได้มากด้วยเพราะว่าผู้เกษียณได้ถือว่าถ้าเราถือว่าแลก็มาตต้องไปถือว่าคือว่าการรับราชการก็ได้ทําโยชกับประชาชนในบ้านเมืองมาเยอะแล้วนี่ในแง่ที่ทประโยชน์ในชีวิตก็ทาไปแล้วก็พอสมควรการเกษียณนี่ก็เป็นบอกให้เหมาะแ้ว่าทาพอสมควรแล้วนะทีนี้ใน นีพอกเกษียณัชีวิตเป็นของตัวเองเวลาเป็นของตัวเองจะทาอะไรก็ทาได้ตามใจปรารถนาเนี่ยตรงเนี้ยจิตใสระนก็อยู่่วาเมื่อกาศยแล้วเนี่ยจะเลือกทาอะไรซึ่งเดียมาเข้า่ อ, อิบา ท, ที่เขาทให้อายยนคือผู้กเกษียณถ้าไปมองในแง่ลบเป็นสูญเสียเนี่ยก็จะใจคอเหงาหน่อยเศร้าซ่อยอะไระอะไรว่าเวือะไรไปลยนี่พอมองในแง่ดีบอกฐานเปนสละโอ้าตอนนี้มีเวลาเป็นของตัวเองแต่ท่านบอกว่ายอยู่เฉยๆลอยให้มีอะไรทำอธิบายก็เริ่มต้นที่อนแรกให้มีอะไรทำก่อนนะก็คิดแล้ว นะั่นจะทาตามที่ต้องการไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็ไม่อาจจะทำทไปทำไสิ่งที่อาจจะไม่ต้องการเทไรนี่ถึงเวลานี้เราก็มีสละแล้วเราก็อะไรที่เราเห็นต้องมีคุณค่าจะเป็นคุณค่ากัชีวิตคุณค่ากัสังคมหรือสิ่งที่ดีแหละเป็นสิ่งที่ดีงาน ม, มีคุณค่าระเสริฐเราอยากจะทำเนี่ย เ, เวลาตอนนี้ตั้งใจเลยเราตั้งใจจะทาสิ่งที่ใจปรารถนาอยากจะทาให้สาเร็จยิ่งมีปัญญามองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นว่าดีงามเป็นประโยชน์เท่าไหร่และใจฝ่ายจะทำเท่าไหร่ที่ดีมันจะเกิดทางที่สองอัน ที่ตัวใหญวันนี้บอกบางคนพูดว่าเรื่องนี้ถ้าไม่สำเร็จจะจ่ายไปได้่างทีเออตั้งใจไปอย่างนั้นเกิดกำลังใจทำเต็มที่และก็เกิดกาลังที่หมดแล้วให้หน่ยงานบริเวณนี้หายหมดเลยเลยหมดนี่ก็มีกำลังใจขึ้นหมเพราะมีกำลังใจจะทำทีนี้มันก็เกิดาอุทิศตัวแล้วใจมันก็รักไฝอยู่เอาเรื่องนี้อุทิศตัวที่เวลาให้ใจมันจะเป็รับ ก, กระทบกับเรื่องวุ่นวายเรื่องในเกี่ยวกับเป้าหมายของฉันอาจจะ ก, กระทบบ้างตามวิสยัยทัศน์ระชาช่เดี๋ยวก็เลยเพราะเรามีเรื่องจะทำแต่คนแก่ที่ไม่มีอะไรจะทำเพ่งเนี่ สมองเสียเลยนะใจคอพระสมองมีแต่ความทุกขเงา น, ออน้อยแล้วจิตใจหงุดหงิดไม่สบายใจนะเนี่ยเียราบอกดูอะไรมาไกันใหญ่นะจิตรับ ก, ก, กระทบเลยปุงแต่งมากเนะนี่ยคนะจะทำตั้งใจแล้วทีเนี้ยเรื่องกระทบไม่มีความหมายเลยมันไม่เข้าเป้าอักบ ด, ม, ดมาอยู่กับเรื่องที่ทำลืมกระทบเดี๋ยวเดมัลืมเพราะมีเรื่องใหญ่ที่จะทำใจก็มีจิตตนะเนี่ยแล้วก็พอเราพู ท, ที่ตัวที่ใจกับเรื่องที่ทำเนี่ยมันก็ใช้ปัญญาใช้ปัญญาคิดทีจะเราจะแก้ไขจะปรับปรุงจะทำให้สำเร็จอะไรต่างๆวิมารสาเสมอนี่เห็นว่าทาง งคิดปรงแต่งคือคิดด้วยอิโมชันคิดทางอารมณ์นึกถึงเรื่องเก่าเก่างองรกระทั่งอใจไม่พอใจมาอคิดรงแต่งอย่างนี้ท่านห้ามเลยเป็นความคิดถึงอารมณ์แต่คิดเถอปัญญาคิดไรคิดไปท่านอกไม่เป็นไรคิดทางปัญญาคิดสืบเสาะให้ปจจัยไเป็นกลางไม่มีดีไม่ชั่วแล้วนอนคิดแต่้ปัญญาไปงนั้นก็ตกลงว่าอิธบัสน้เข้ามาแล้วาดูดีเลยเพราะนั้นคนที่กระเสียนเนียก็มองในแง่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์เยอะแรท่านหนึ่งก็มองเป็นอิสระภาพสองก็คิด สามก็เอาประสบการณ์ที่มีมายแยเนี่ยมาถ่ายทอดหรือาําให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นในอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากประสบการณ์ของท่านผูจิได้ทางานทาการทำชีวิตประแยเนี่ยนคนในแต่ละรุเนี่ยมันสูญเสียอันนี้ไปมากอตาตมาไมยังเสียดายคลอตอนนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสาแลบางทีเราก็ยังไม่ทันคิดท่ารุ่นเกา่าๆรุ่น8ปดเ้เรื่องรุ่นเกา่าถ้าเราไปบันทึกไปถ่ายถามเรื่องรุนเก่าวไว้อย่างเรื่องการพะนัสงฆ์ <S <S อะไรอย่างนี้ในบ่อนเราจะได้อะไรเยอะนี่ก็เนี่ยของท่านเนี่ยเป็นตัวอย่าง แต่ของพผมที่เป็นหมอเป็นอาจารย์อยู่นี่ก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่หมดแต่ตาแหน่งที่เป็นอาจารย์อะไรเนียลดงานประชุมนก็จะเป็นหมอตามเดิมผมไม่ไปผาัตรวจไทไม่ได้เปลี่ยน่เหมอนปะนกัทหารที่เขาหมดตวนาเในเรนั้นเป็นเ่องที่แต่ว่าหมดงานประชุมงานอะไรที่มันไ้ก็จะเกี่ยวข้องกัไม่ได้กแนไม่ได้แท้หรอกนี่เขาเียอย่างผู้ว่าราชการภาคผู้ว่ารารจังหวัดนั้นี่หมาที่จริงหยเนื้ว่าไว้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยทางอาีหมอนี่ยจะเปี่ยรื่อยๆแต่ถ้าว่าอย คือให้มีงานที่ต้องทำแม่นักม่เป็นไรใจจะให้หนักใจยาใ้ต้องประมวลใช่ไหมใจแค่นเดนียร์พอ